ธรรมบทแปลเรื่องที่หนึ่งเรื่องภิกษุมีพันธมาภาคที่หเรื่องที่8ดของวรที่สิบทันทวักวันน า, นาข้อความเบื้องต้นพระสัสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเชตวันทรงปรารบภิกษุผู้มีพันธมากตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่า นักกาจริยาเป็นต้นตอนกุดุมพีเตรียมเครื่องใช้ก่อนบวชได้ยินว่ากุดุมพีชาวเมืองสาวัตถีผู้หนึ่งมีภรรยาทรรมกาละแล้วจึงบวชเขาเมื่อจะบวชให้สร้างบริเวณเรือนไฟและห้องเก็บพันธะเพื่อตนบรรจุห้องเก็บพันธะแม้ทั้งหมด ให้เต็มด้วยวัตถุทั้งหลายมีในใสและน้ำมันเป็นต้นแล้วจึงบวชก็แลครั้นบวชแล้วให้เรียกพวกทาสของตนมาหุงต้มอาหารตามที่ตนชอบใจแล้วบริโภคได้เป็นผู้มีพันธะมากและมีบริขารมากผ้านุง่งผ้าหม่มในราตรีมีชุดหนึ่งกลางวันมีอีกชุดหนึ่ง อยู่ในวิหารหลังสุดท้ายตอนถูกพวกภิกษุต่อว่าแล้วนำตัวไปเฝ้าพระสัสดาวันหนึ่งเมื่อภิกษุนั้นตากจีวรและผ้าปูที่นอนอยู่ภิกษุทั้งหลายเดินเที่ยวจาริกไปตามเสนาสนะเห็นแล้วจึงถามว่าผู้มีอายุจีวรและผ้าปูที่นอนเหล่านี้ของใคร เมื่อเขาตอบว่าของผมขอรับดังนี้แล้วจึงกล่าวว่าผู้มีอายุพระผู้มีพระภาคทรงอนุญาตจีวรเพียงสามผืนก็ท่านบวชในาศาสนาของพระพุทธเจ้าผู้มีความปรารถนาน้อยอย่างนี้ทำไมจึงเป็นผู้มีบริขารมากอย่างนี้ดังนี้แล้ว ได้นำภิกษุนั้นไปสู่สำนักพระศัสดากราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เริญภิกษุรูปนี้เป็นผู้มีพันธะมากหรือเกินพระศัสดาตรัสถามภิกษุนั้นว่าได้ยินว่าเป็นอย่างนั้นจริงหรือภิกษุเมื่อภิกษุนั้นกราบทูลว่าจริงพระเจ้าค่าจึงตรัสว่า ภิกษุก็เหตุไรเธอเมื่อเราแสดงธรรมเพื่อความเป็นผู้มีความปรารถนาน้อยแล้วจึงกลับเป็นผู้มีปันธะมากอย่างนี้เล่าภิกษุนั้นโกรธแล้วโดวยเหตุเพียงเท่านั้นแลคิดว่าปัดนี้เราจะเที่ยวไปโดยทํานองนี้ดังนี้แล้วทิ้งเปลืองผ้าห่มมีจีวรตัวเดียว ได้ยืนอยู่ในท่ามกลางบริษัทตอนพระสัสดาให้เธอกลับมีหิริและโอตตะปะลำดับนั้นพระสัสดาเมื่อจะทรงอุปถรัรมภิกษุรูปนั้นจึงตรัสว่าภิกษุในการก่อนเธอสแสวงหาหิริและโอตตะปะแม้ในการเป็นรากศกน้ำก็สแสวงหาหิริโอตตะปะอยู่ ถึง12ปีไม่ใช่หรือแต่บัดนี้เธอบวชในพระพุทธศาสนาที่เคารพอย่างนี้แล้วเปลื้องผ้าหม่มและหิริและโอตตปะยืนอยู่ในท่ามกลางบริษัทสเพราะเหตุอะไรภิกษุนั้นฟังพระดำรัสของพระสัสดาแล้วกลับตั้งหิริและโอตตปะขึ้นได้ห่มจีวรนั้น ถวายบังคมพระสัสดาแล้วนั่งณนะที่สมควรข้างหนึ่งภิกษุทั้งหลายทูลขอพระผู้มีพระภาคเพื่อให้ทรงประกาศเนื้อความนั้นทีนั้นพระผู้มีพระภาคทรงนำอดีตนิทานมาตรัสว่าตอนบุพกรรมของภิกษุนั้นได้ยินว่าในอดีตการประบริสัท ถือปฏิสนธิในพระคั์พระอัครมเหสีของพระเจ้าพารณสีในวันขนานพระนามของพระโพธิสัตว์นั้นชนทั้งหลายขนานพระนามของพระองค์ว่ามหิศาสะกุมานพระกนิษฐภพาดาของพระองค์ได้มีพระนามว่าจันทกุมารเมื่อพระชนนีของพระราชกุมารทั้งสองนั้นสิ้นพระชนแล้ว พระราชาก็ทรงสถาปนาสตรีอื่นไว้ในตำแหน่งพระอครัมไหสีพระนางแม้นั้นประสูตริพระราชโอรสชนทั้งหลายขนามพระนามของพระโอรสนั้นว่าสุริยกุมารพระราชาถพระเนรเห็นสุริยกุมาร น, นั้นแล้วก็ทรงพอพระไทยตรัสว่าเราให้พรแก่บุตรของเธอ ฝ่ายพระเทวีนั้นและกราบทูลว่าหม่อมฉันจะรับเอาในเวลาที่ต้องการดังนี้แล้วในการที่พระราชโอรสเจริญไหวแล้วจึงทูลพระราชาว่าขอเดชะส ม, มุติเทพพระองค์ได้พระราชทานพรไว้แล้วในเวลาบุตรของหม่อมฉันประสูตรขอพระองค์โปรดพระราชทานราชสมบัติแก่บุตรของหม่อมฉันเถิด ตอนพระโพธิสัตว์ต้องเดินไพร์พระราชาแม้ทรงห้ามว่าบุตรทั้งสองของเรากำลังรุ่งเรืองดุดกองไฟเที่ยวไปเราไม่อาจให้ราชสมบัติแก่สุริยกูมา น, นั้นได้แต่ทรงเห็นนางยังยืนอ้อนวอนอยู่บ่อยๆจึงทรงดมปริว่านางนี้จะพึงทำแม้ความชิบหายแก่บุตรของเรา อย่างนี้แล้วจึงรับสั่งให้เรียกพระราชโอรสทั้งสองมาตรัสว่าพ่อทั้งสองพ่อได้ให้พรไว้ในเวลาสุริยกูมาประสูตรบัตรนี้มารดาของเขาทูลขอราชสมบัติพ่อไม่อยากจะให้แก่เขาเลยมารดาของเขาจะพึงทำแม้ความชิบหายแก่เจ้าทั้งสองเจ้าจงไปอยู่ในป่าแล้ว ค่อยกลับมารับราชสมบัติโดยการที่พ่อล่วงไปดังนี้แล้วก็ส่งไปสุริยกุมารเล่นอยู่ที่พระลานหลวงเห็นพระราชกุมารทั้งสองนั้นถวายบังคมพระราชบิดาแล้วลงจากประสาททราบเหตุนั้นแล้วจึงออกไปกับพระราชกุมารเหล่านั้นด้วยตอนพระราชกุมารทั้งสอง ถูกรากศกจับไว้ในการที่พระราชกุมารเหล่านั้นเข้าไปสู่หิมวันตะประเทศพระโพธิสัตว์เสด็จแย ก, กออกจากทางนั่งอยู่ที่โคนต้นไม้ต้นใดต้นหนึ่งแล้วตรัส ก, กัสุริยกุมารว่าเนี่ยพ่อเจ้าจงไปสู่สระนั้นอาบน้ำและดื่มน้ำแล้วจงเอาใบบัวนำน้ำมาเพื่อพี่ทั้งสองบ้าง กษะนั้นเป็นศะที่รากศกน้ําตนหนึ่งได้จากสํานักแห่งท้าเวสวร์กท้าเวสวร์รับสั่งกะรากศกน้ํานั้นว่าเว้นชนผู้รู้เทวธรรมเท่านั้นชนเหล่าอื่นลงสู่ศะนี้เจ้าย่อมได้เพื่อเคี้ยวกินชนเหล่านั้นตั้งแต่นั้นมารากศกน้ํานั้นถามเทวธรรมกับคนผู้ลงแล้วลงแล้วสู่ศะนั้น ย่ำเคียยกินคนผู้ไม่รู้อยู่ฝ่ายสุริยกุมารมีทันพิจารณาสะนั้นลงไปและถูกรากศกนั้นถามว่าท่านรู้เทวธรรมหรือก็ตอบว่าพระจันทร์และพระอาทิตย์ชื่อว่าเทวธรรมลำดับนั้นรากศกกล่าวกับสุริยกุมารนั้นว่าท่านไม่รู้เทวธรรม แล้วก็ฉุดลงน้ำไปพักไว้ในภพของตนส่วนพระโพธิสัตว์เห็นสุริยกุมาร น, นั้นช้าอยู่จึงส่งจันทกุมารไปแม้จันทกุมาร น, นั้นถูกรากศกนั้นถามว่าท่านรู้เทวธรรมหรือก็ตอบว่าทิศสี่ชื่อว่าเทวธรรมรากศกน้ำนั้นก็ฉุดแม้จันทกุมาร น, นั้น ลงน้ำไปพักไว้อย่างนั้นเหมือนกันตอนพระโพธิสัตว์แสดงเทวธรรมแก่รากศก พ, พระโพธิสัตว์แม้มื่อจันทกุมารนั้นช้าอยู่จึงคิดว่าอันตรายจะพึงมีดังนี้แล้วจึงไปเองเห็นรอยเท้าแห่งกุมารแม่ทั้งสองแล้วก็ทราบว่าสระนี้มีรากศกรักษา ถือธนูได้หยืดแล้วรากศกเห็นพระโพธิสัตว์นั้นไม่ลงสู่สะจึงแปลงเพศเป็นชายชาวป่ามากราวปลาัยว่าดูก่อนบุรุษผู้เจริญท่านเดินทางอ่อนเพลียทำไมจึงไม่ลงสู่สะนี้อาบน้ำดื่มน้ำเคี้ยวกินเง่าบัวประดับดอกไม้แล้วจึงไปเล่าพระโพธิสัตว์ พอเห็นบุรุษนั้นก็ทราบได้ว่าผู้นี้เป็นยักษ์จึงกล่าวว่าท่านจับเอาน้องชายทั้งสองของข้าพเจ้าไว้หรือยักษ์เออข้าพเจ้าจับไว้พระโพธิสัตว์จับไว้ทำไมยักษ์ข้าพเจ้าย่อมได้เพื่อเคี้ยวกินผู้ลงสู่สถานีโพธิสัตว์ก็ท่านย่อมได้ทุกคนเที่ยวหรือ ยักษ์เว้นผู้รู้เทวธรรมคนที่เหลือข้าพเจ้ายอมได้โพธิสัตว์ก็ท่านมีความต้องการด้วยเทวธรรมหรือยักษ์ข้าพเจ้ามีความต้องการโพธิสัตว์ข้าพเจ้าจะกล่าวให้ท่านฟังยักษ์ถ้ากระนั้นขอท่านจงกล่าวเถิดโพธิสัตว์ข้าพเจ้ามีตัวโสกรปรกไม่อาจกล่าวได้ ยักให้พระโพธิสัตว์อาบน้ำให้ดื่มน้ำอันควรดื่มตบแต่งแล้วเชิญขึ้นสู่บัลลังก์ในท่ามกลางมณฑบอันแต่งไว้แล้วตัวเองหมอบอยู่แทบบาดมูลของพระโพธิสัตว์นั้นลำดับนั้นพระโพธิสัตว์บอกกับยักษ์นั้นว่าท่านจงฟังโดยเคารพดังนี้แล้วจึงตรัสพระคาถานี้ว่าหิริโอดตับ ประซัมปนาสุกะธรรมมะสมาหิตาสั้นโตสัปปุริซาโลเกเดวะธรรมาติวุจเรตินักปราชญ์เรียกคนพู้ถึงพร้อมด้วยหิริและอตตะปะตั้งมั่นดีแล้วในธรรมข่าวเป็นผู้สงบเป็นสัตว์บรุษในโลกว่าผู้ทรงเทวธรรม ยักษ์ฟังธรรมเทศนานี้แล้วเลื่อมใสกล่าวกับพระโพธิสัตว์ว่าท่านบัณฑิตข้าพเจ้าเลื่อมใสต่อท่านแล้วจะให้น้องชายคนหนึ่งจะนําคนไหนมาโพธิสัตว์จงนําน้องชายคนเล็กมายักษ์ท่านบัณฑิตท่านรู้เทวธรรมอย่างเดียวเท่านั้นแต่ท่านไม่ประพฤติในเทวธรรมเหล่านั้น พระโพธิสัตว์เพราะเหตุไรยักษ์เพราะท่านให้นำน้องชายคนเล็กมาเว้นคนโตเสียยอมไม่ชื่อว่าทําอปจายิกกรรมต่อผู้เจริญตอนพระโพธิสัตว์ทั้งรู้ทั้งประพฤติทเทวธรรมพระโพธิสัตว์ตรัสว่ายักษ์เรารู้ทั้งเทวธรรม ทั้งประพฤติในเทวธรรมนั้นเพราะเราอาศัยน้องชายคนเล็กนั่นพวกเราจึงต้องเข้าป่านี้เหตุว่ามารดาของน้องชายนั่นทูลขอราชสมบัติกับพระราชบิดาของเราทั้งสองเพื่อประโยชน์แก่น้องชายนั้นก็เพราะบิดาของเราไม่พระราชทานผ่อนนั้นทรงอนุญาตการอยู่ป่าเพื่อประโยชน์แก่การตามรักษาเราทั้งสอง กุมานั้นไม่กลับมา ก, กับพวกเราแม้เมื่อข้าพเจ้าจะกล่าวว่ายักษ์ตนหนึ่งในป่าเคี้ยวกินน้องชายคนเล็กนั้นดังนี้ใครๆก็จักไม่เชื่อเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าผู้กลัวต่อภัยคือการคารหาจึงให้นำน้องชายคนเล็กนั้นผู้เดียวมาให้ยักษ์เลื่อมใสต่อพระโพธิสัตว์สรรเสริญว่า สาธุท่านบัณฑิตท่านผู้เดียวทั้งรู้เทวธรรมทั้งประพฤติในเทวธรรมดังนี้แล้วจึงได้นำเอาน้องชายแม้ทั้งสองคนมาให้ตอนพระโพธิสัตว์ได้ครองราชสมบัติลาดับนั้นพระโพธิสัตว์ตรัสพันานาโทษในความเป็นยักษ์แล้วให้ยักษ์นั้นดำรงอยู่ในศีลห้าพระโพธิสัตว์นั้น เป็นผู้มีความรักษาอันยักษ์นั้นจัดทำได้ดีแล้วอยู่ในป่านั้นครันเมื่อพระราชบิดาสวรรคตรแล้วพายักษ์ไปยังกรุงพระนศีครอบครองราชสมบัติแล้วพระราชทานตำแหน่งอุปราชแก่จันทกุมารพระราชทานตำแหน่งเสนาบดีแก่สุรยกุมารโปรดให้สร้างที่อยู่ในรมณียสถานแก่ยักษ์ และได้ทรงธรรมโดยประการที่ยักษ์นั้นจะถึงความเป็นผู้เลิศด้วยลาบตอนพระสัส ด, สดาทรงย่อชาดกพระสัส ด, สดาครั้นทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วทรงประชุมชาดกว่ารากศกน้ำนั้นในการนั้นได้เป็นภิกษุผู้มีพันธะมากสุริยกุมารเป็นพระานน จันทกุมารเป็นพระสารีบุตรมหิศ ส, สาส ก, กุมารได้เป็นเรานี่เองพระศาสดาครั้นตรั ช, ชาดกอย่างนี้แล้วจึงตรัสว่าภิกษุในการก่อนเธอสแสวงหาเทวธรรมถึงพร้อมด้วยหิริและโอตัะปะเที่ยวไปอย่างนั้นบัดนี้เธอยือนอยู่โดยทํานองนี้ในท่ามกลางแห่งบริษัทสี่ กล่าวอยู่ต่อหน้าเราว่าฉันมีความปรารถนาน้อยดังนี้ชื่อว่าได้ทำกรรมอันไม่สมควรแล้วเพราะว่าบุคคลชื่อว่าเป็นสมณะด้วยเหตุสักว่าห้ามผ้าสาดอกเป็นต้นก็หามิได้ดังนี้แล้วเมื่อจะทรงสืบอนุสนธิแสดงธรรมจึงตรัสพระคาถานี้ว่า นักกจริยานชะตาณปังกานานาสากาตันดิละซาญิกาวาราโชย ล, ลังอุกุติกับปทานังโซเทนติมัจจังอวิตินนกังขันติการประพฤติเป็นคนเปลือยก็ทำสัตว์ให้บริสุทธิ์ไม่ได้การกล่าวชดาก็ไม่ได้ การนอนเหนือเปลือกตมก็ไม่ได้การไม่กินข้าวก็ดีการนอนบนแผ่นดินก็ดีความเป็นผู้มีกายหมักหมมด้วยธุลีก็ดีความเพียรด้วยการนั่งกระโยงก็ดีแต่ละอย่างหาทำสัตว์ผู้ยังไม่ล่วงสงสัยให้บริสุทธิ์ไม่ได้ตอนแก้อัดบรรดาบทเหล่านั้นบทว่าหน้านาสากา ตัดบทเป็นณนอนาสกาความว่าการห้ามพัดการนอนบนแผ่นดินชื่อว่าตันดิลซายิกาทุลีที่หมักหมมอยู่ในสรีระโดยอาการคือดังฉาบทาด้วยเปลือกตมชื่อว่าราชโฉลังความเพียรที่ปราลบแล้วโดวยความเป็นผู้นั่งกระโยงชื่อว่า อกุติกับประทานังพระผู้มีพระภาคตรัสอธิบายคํานี้ว่ากสัตย์ใดเข้าใจว่าเราจักบรรลุความบริสุทธิ์กล่าวคือการออกจากโลกด้วยการปฏิบัติอย่างนี้ดังนี้แล้วพึงสมาทานประพฤติวัดอย่างใดอย่างหนึ่งในวัดมีการประพฤติเป็นคนเปลือยเป็นต้นเหล่านี้สัตย์นั้น พึงชื่อว่าเจริญความเห็นผิดและพึงเป็นผู้มีส่วนแห่งความลำบากโดยส่วนเดียวด้วยว่าวัดเหล่านั้นที่สัตสมาทานดีแล้วย่อมยังสัต ท, ที่ชื่อว่าผู้ยังไม่ล่วงความสงสัยเพราะความสงสัยอันมีวัตถุ8ดอันตนยังไม่ก้าวล่วงแล้วให้หมดจดไม่ได้ในการจบเทศนาชนเป็นอันมากบรรลุอริยผลทั้งหลาย มีโสดาปฏิผลเป็นต้นต้งนี้แลเรื่องภิกษุผู้มีพันธะมาจบ